ต่อไปนี้เธอทำสามจนตั้งใจก่อนเธอได้น้อมภ า, าการใชะพักนมาถ่ายเพื่อขอบรรพชาในพระพุทธศาสนาก็เธอตั้งสามจนปลุกศรัทธาการัทธ า, ทา ความเลื่อมใสในคุณพระพุธทธรธรรมผสม์เป็นอย่างดีเพราะว่าบุคคลที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้พระสันตว่าเป็นของยากและเป็นของลำบากด้วยสัตว์ทุกชนิดหลายประเภท จะมีสัตว์คือมนุษย์นี้เป็นสัตว์ที่ อ, องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราตรัสว่าเป็น พ, พักผัสัดกัตรูธรรมได้พวกเราดรือท่านทังสามนี้ต่อนักอยู่ในจําพวก พ, พักผัสจัตอนกัตฉรูธรรมแค่นั้นจริงว่า จะได้ เ, เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ยากเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจะได้มีความเชื่อในพระพุทธศาสนานี่ก็เป็นของอยากเพราะว่าบางทีก็เกิดมาในตระ ก, กูลเป็นมิจฉาทิฐิเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิด เช่นนั้นไอ้พวกเราทั้งหลายก็ม่มีโอกาสที่จะมาบรรญชาในปรากฏศาสตร์ชนะประการหนึ่งอีกประการหนึ่งเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์นี้จะมีชีวิตยอยู่ มาถึงวันการบรรพชาเช่นนี้สหายากเพราะว่าการเกิดมามีชีวิตยอยู่นั้นประสบอันต ร, รายหลายอย่างหลายาประการดังที่สกเธอทั้งหลายได้ผ่านมาตั้งแต่ยังเด็กเป็นหนุ่มจนบัดนี้ ทานอันตรายมาหลายอย่างหลายสกานเดิมพวเกเคอทั้งหลายได้เอาชีวิตพ้นตลอดมาถึงบัดนี้ก็นับว่าเป็นบุญเป็นผู้ชนฉะนั้นขอพอเธอทั้งสามจงตั้งอกตั้งใจนครูปศรัทธาราศรพระามเรื่องใส ในประพฤติประการผสมให้มัน่นให้ดีเมื่อกล่าวโดยย่อประพฤติประทำประสงสามประการนี้เมื่อกาวถึงเป็นรูป ก, ก็คือได้แก่สีธาตราศีุศ ม, มานซึ่งเป็น ู่ม้มีบุญวาสนาบารมีมากมเป็นราชาบายมีศรัทธาบวชในพษษุทธศาสนาได้เกิดรู้ธรรมะจนเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จได้จะทำ ก็คือข้อกฎอันหนึ่งซึ่งทำให้บุคคลมีกายวาจาจิตใจบริสุทธิ์ได้ป ร, ระองก็คือลักษณะที่ไหวประพฤต ปฏิบัติกายวาจาใจพร้อมไปด้วยเดียวกอกการปฏิบัติเดี่ยวกระโสมทั้งสามประการนี้เมื่อรวมเป็นปรมประพก็คือความรู้สึกที่บริสุทธิ์เช่นภูรู้คือจิตใจของเราเองการทำ ก็คืออาการที่ชอบยิ่งทาจิตใจของพวกมนุษย์ทั้งหลาหยเหตุสงไว้ซึ่งต่อบริสุ์ตานนั่นนีกว่าประทบรับโดยย่อประสงก็คือการประพึตปฏิบัติไปตามธรรมคำสั่งสอนของท่าน จนในกัจจารูธรรมะคําสั่งสอนของท่านโดยชอบเป็นสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติอุจุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงยายยัปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติพั่พวทุจากทุกสารมีจิตปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติชอบยิ่ง ตรงกายตรงวาจาตรงใจดีกายดีวาจาดีใจเรียกว่าประพฤติ ด, ดีประพฤติตงเรียกว่าะสมฉะนั้นว่าเธอมีศรัทธามาบวชในพระพุทธศา ส, า, สาสนาแล้วไอ้พวกเธอทั้งหลาย กิจประกันตั้ง อ, อกตั้งใจศึกษาและประพฤติปฏิบัติในพระศาสนาให้ดียิง่งโปรดการบรรพชาการบรรพชาหรือการบวชเป็นสามเณร น, น, นี้การบรรพชาแปลว่าการไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน เมื่อเราบวชมาแล้วในพุทธศาสนาแล้วไม่เบียดเบียนทิ้งกันในการด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเกี่ยวกับการบรญรชาฉะนั้นจงเทั้งสามจงกินให้เห็นอนันสิสงของการบรรพชาที่พวกเราทั้งหลายนั้นเข้ามาบรรญชาในพระพุทธศาสนาการบรรพชา เมื่อก่าวโดยพิสดารมันต่อมาพันธนาไม่จบไอุุ้งามความดีซึ่งเกิดจากการประพฤติธปฏธิบัตินั้นอนณิสงของการบรวดนั้นคือเมื่อเราเป็นฆราวาสอยู่ฆราวาสวิสัยนั้น เ, เป็ว่า เป็นที่คัดแคบเป็นทางมาแห่งทุรีทั้งหลายเป็นทางมาแห่งทุรีคือจิดีทั้งหลายเมื่อยินทางพระญ า, าทางคัดแคบลำบากกายวุ่นวายจิตใจวุ่นวายทุกสิ่งสารพัดก็วุ่นวายมีจต่ทุกข์ทันั้น เพราะการเลี้ยงชีพของคารวาสเมืม่อาานะเราบรรพชาในระบบศาสนาแล้วการเลี้ยงชีพของเราเนื่องโดยคนอื่นอีอวรบินทบาเศเสนาสนะเตตัดเนื่องด้ดยคนอื่นครับฉะนั้นเราจึงเป็นผู้สันโดษมากน้อยไม่มากมาก ไม่เอาอะไรแล้วปล่อยไม่ถือมั่นยึดมั่นอะไรเช่นผมเราก็โกลที่จะแล้วลเล็บรอประัดจะแล้วเราไม่ต่อสู้กับใครไม่ไปสู้กับใครไม่ยึดชา้าใครไม่พยายามไป เรียกว่าเราเอาชนะตัวเราเองเราเป็นคารวาสอยู่เราเอาชนะตัวดูเมื่อมาบรรพชาในพระพุทธศาสนาและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเป็นสอนว่าเอาชนะตัวเองไม่ต้องเอาชนะใครขิงอาวุธนะในอยู่ในความสงบนะเช่นการ อณิสง์ต้องการวันประชารวิการเป็นนักบวชนี้จะเดินไปที่ไหนก็สบายจะนั่งที่ไหนก็สบายถ้เาเราไม่มีการอิจฉาพยาบาทกับใครแล้วฉะนั้นการวันประชานี้จึงมีอา น, นิสง์มากอืมฉะนั้นเจอทั้งสามเมื่อมาถึงการวันประชาในวันนี้ตอ น, นั้ำวัดเป็นบุญอันโ ด, ดิอันประเสริฐของตัวเพื่อทั้งหลายเพราะว่า บ้านของพปรเทอรทังหลายเนี่ยก็อยู่มันนอกไม่แต่อยู่มันไทยและอุตสาห์ที่ผ่านประเทศมาถึงมึงไทยได้มาขอบวชดรือขอบรรพชาในตุปปัตตชนะซึ่งคือเอาตัวฉันนี่เองเป็นพระอุปชา อ, อันนี้ก็เป็นของยากเป็นของลำบาก ฉะนั้นพบเธอทั้งสามนี่จึงเรียกว่าเป็นผู้มีบุญเป็นผู้มีผู้สนน่เกินฉะนั้นเม่อบวชมาแล้วในพุทธศาสนานี้องค์สมเด็จพระจมมาสั้นพุทธเจ้าของเราทานศึกษาศึกษาสิ่งที่ควรศึกษาให้รู้สิ่งที่ควรรู้โดยย่อโบราณาจารย์ที่ท่านได้สั่งสอนมา ให้แกอุญบุญผู้จิตวิประชานั้นเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานนั้นเรียกวมูระกรรมฐานหรือตัจจักันจักะกรรมฐานกรรมฐานมีหนังเป็นที่ห้าเรียกว่มูระกรรมฐานเรียกว่าเป็นรากหรือเป็นมูลของการปฏิบัติอันนี้พระโบราณอาจารย ท่านสอนหลักย aw, ่อย่คือเกษาโลมานักขาทัานตาตาโจนิห้าประการพนี้เป็นหลักอันสำคัญที่สุดในหลักพุทธศาสนาถึงแม้ว่าเราจะเรียนปีกย่อยไปหลายอย่างก็ไม่ใช่ทางที่จะต้นจากประตาสงสาร ฉะนั้นทางที่จะให้ต้นจากประจาสงสารนี้ซึ่งเป็นมูลหรือเป็นลากนี้เรียกกรรมฐ า, านฉะนั้นเธอทั้งสามจึงตั้งใจศึกษาเร่าเรียนซึ่งกรรมฐ า, านทางหน้าประานโดยเป็นภาษามาพดมาพดภาษาอาจเป็นภาษาไทยแต่ว่าเจสาโลมานะหาทันตาอ่าราโจ ภาษาเมกพศภาษาภาษาไทยเรีวยกว่าผมขนเล็ดวันนะภาษาเมกพศเรีวยอว่าเจสาโลมานะขาทันตาตาจูเป็นต้นอันนี้กลวองมีนในประตูอันเดียวกันฉะนั้นตออันนี้เธอทั้งสามเจริญตั้งเรียนสรรมฐานเผื่อภาษาเมกพศจงว่าไปตาม เกตาอสตาโลมาานานาาตตจตจตจตจา ตามสฟาบํารุงร่างกายขนาอนี้เล็บเล็บมือเล็บเท้าก็มีอยู่แล้วคบบริบูรณ์ันที่เป็นสี่ที่ฉันว่าบดอาหารเนี่ยเราก็มีอยู่แล้วตาโจ้นะ้ หหอทั้งหมดนี้มีอะไรคือของมีอยู่แล้วจะว่าคนไทยก็ตามคนฝรั่งก็ตามคนยวนก็ตามไทยๆก็ตามเหมือนกันใช่ ไ, มชม ไ, ไหมรูปอันนี้นามอ น, นี้ไม่ใช่ไทยไม่ใช่ฝรั่งไม่ใช่คนยวนไม่ใช่ใครๆทั้งหมดเรียกว่ารูปดุจานเ่นั้นเหมือนไปนี่เช่นที่โทรมาบวชนี้ก็ให้ทําให้มันเหมือนไปเป็นรูป จิตของพระพุทธเจ้าของเเหมือนกันไม่มีไทยไม่มีฝรั่งไม่มียวนไม่มีจีนไม่มีอะไรเป็นพระในพระพุทธศาสนาเหมือนกันทั้งหมดอฉะนั้นจึงมีผมมีผลมีเล็บมีฟันมีน้นเหมือนกันทั้นั้นสิ่งทั้งห้าประการนี้สิ้นในยกเป็นกรรมฐานนั้นเพราะว่า คนเราไม่ควรจะพิจารณากันผมนี้เราพอใจว่าสวยงามตามธรมตา ม, ตามธรรมดามันแล้ผมนี้ไม่ได้สวยเป็นของเหมินสาบเป็นของไม่สะอาดอเป็นของไม่ยังยืนอยู่แล้วเราก็เห็นอยู่แล้วขนุมันกันเล็บกุมันตันฟันฟันกุมันกัน เป็นของไม่สะอาดเป็นของไม่สวยเอเป็นของไม่เจริญพราวรแต่เราเข้าใจจิตไปเสียว่ามันว่ามันดีว่ามันเลิศว่ามันประเสริฐเล่นี้กนกันเป็นของไม่สุดไม่สวยเป็นของไม่เบียดเบีโต๊แต่เราคิดว่าเป็นของดีเป็นของเลิศเป็นของประเสริฐ หนังที่มันพ่องอยู่ตามสะพังร่างกายของเรานี้ยระดีตามความจริงว่าอันนี้เป็นของไม่สะอาดเป็นของไม่เป็นแกนเป็นสารเป็นของของไม่ยืนยืนผาวนแต่เราเข้าใจผิดว่าหนังนี่เป็นของงามเป็นของสะอาดนี่เราคิดผิดในนี้ ทีนี้พระพุทธเจนน้จาการเจริญปิจิณาเจสาโรมานะสาตันตาตาโจให้เป็นไปตามสภาวะความจริงแท้วเ่าเราตั้งใจเอากรรมฐาน ต, าาต่ปงะตามนี้ไปเป็นอารมณ์เบปิจณาแล้วตามาฉันพระและพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นมีวมืมันจะไม่มาควนเรา เราจะเรียนหนังสือต่อสบายเราจะทำกรรมฐานาต่อง่ายถ้าเราเห็นว่าเห็นสิ่งทั้งหลายเรานี่เป็นอนิจจ์เป็นทุกข์ขังเป็นนาตาแล้วเราคก็จะยืนก็เป็นสุขนัง่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขต่อกรรมฐ า, ามนนี้นี่ฉะนั้นธอทั้งสามจิงตั้งอกตั้งใจนำไปประพฤติธปฏิบัติถ้าเราไม่รู้ก็เดีนถาม ครูบาอาจารย์เช่นท่านสุมเมโธหรือปพาปรโรซึ่งเป็นอาจารย์นี้ก็เป็นภาษ า, าเดียวกันก็เธอทั้งหลายก็จะรู้แจ้งชัดในปรรมาฐานทั้งหลายเหล่านี้ต่อไปด <c oughs> ิฉะนั้นต่อไปนี้ะนจะเล้มอกภาคการสะว่าคืนให้ เธอกันสามในมทางพุทธศาสนานเนี่ยอุปชาอาจารย์ก็เป็นพ่อแม่ของเรานั่นเองบวชมาแล้วท่านให้อยู่กับอุปชาหนึ่งสองสามสี่ห้า ภาษานี่เป็นปกติด้วยเพื่อจะอุปชาจะชี้แนวทางในหลายอย่างหรือมิฉะนั้นก็ให้อุปชาแนะนำให้ไปอยู่อาจารย์ อ, องค์ใดองค์หนึ่งซึ่งจะมีความรู้ในการ แนะนำทำสอนให้เราปฏิบัติให้ถูกตามเป็นปฏิมิโทเป็นต้นทุกวันนี้มาอย่างนั้นเลยบวชแล้วรีบไปเนี่ยบวชแล้วรีบไปเนี่ยที่นี่คณะวัดประโภงเราไม่เอาอย่างนั้นเนี่ยสร้างมาจัเมืองนอกก็ตามท่านอยู่ในเมืองไทยก็ตามบวชมาแล้วกระตกฝึก ต้องอยู่ใกล้จิตตูบาอาจารย์รู้จักครูบาอาจารย์ค ร, ร, ร, รูบาอาจารย์มันเปนกระพ่อแม่ของเราเราอยู่ใกล้คิดท่านเราเป็นสติสิงห์มหาวิไรอุปชาสติสิงห์มหาวิก็ปฏิบัติครูบาอาจารย์เหมือนกระพ่อแม่พ่อแม่ก็รัก อุปชาอาจารย์ต่อรักลุกสิทธ์สติมี hari อันเทวสิทเหมือนกันกันกบพ่อแม่รักบุตรยานั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ให้อุปชาเป็นแนวทางและอาจารย์จะเป็นแนวทางการปฏิบัติโดยตรงของกเร า, าทั้งหลายนั้นก็คือศีลสมาธิ ปัญญาสินนั้นก็คือจัญยามารยาทีเดียบร้อยสมาธิก็คือทำจิตของเราให้เย็นสบายปัญญาก็คือรัษนะที่ทำความรู้สึกของเราให้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามเป็นจริง เมื religion, right ่อรู้ตามเป็นจริงแล้วจิตใจจะสว่างสบายเยือกเย็นทั้งสามประการนี้คือกายได้ว่าจะใจนั่นนี่ฉะนั้นจงดําเนินการประพฤติปฏิบัติอย่าเป็นคนเกลียดแค้นอย่าเป็นคนมักง่ายเป็นคนอดทนมันจะร้อนก็อดทนมันจะเย็นก็อดทนมันจะลำบากเท่าไรก็อดทนการอดทนนี้แหละเป็นแม่บท องการปฏิบ huh. um, ัต hmm. um, ิเป uh ็นมึงแล้ฉะนั้นวันนี้ถูกบนประชามาแล้วประกันตังตังใจต่อไปนี้ก็ให้อยู่ตัวประชามักพ์กหนึ่งสักก่สดใประชากไปะจโดนไปบินทบาทก็ท่านผมผ้าไม่ดีท่านก็จะได้บอก อะไรไม่ดีท่าเก็จะบอกอะไรนี่ยไม่เดียบร้อยท่านก็จะบอกจากเรื่องทุกอย่างพอสมควรแล้วจริงท่านสั่งไปอยู่ที่ไหนก็ตรงไหน <c oughs> อันนี้ให้ประกันตังค์อกตังค์ใจให้ดีสะไมโทรจะกลับวัดต่อนนื้อเนี่ยกลับก่อนเนื้อกลับก่อนจะได้ให้ดูนนชิบเพื่อนี่ก่อนเน้อทีมวันนี้แหละยินดีก่อน เราต้องหาปฏิให้อยู่เพราะฉะนั้นกรรม่ิหารต่อไปจะเป็นมาฆบูชาอยู่ประภาจะได้ทำจิตอะไรต่ออะไรหลายอย่าง